พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่24มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าขอให้บุญเสาเข็มหนุนส่งอันนี้ขอบครัวของอาจารย์เจริญ สวนแสงธรรมมาทำบุญเพื่ออุทิศกุศลถึงอาจารย์อาจารย์เจริญเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่รับภาระในสวนแสงธรรมหลวงพ่อไปก็ได้รับความสะดวกสบายอบอุ่นท่านทำหน้าที่ดีมากรู้จักการสถานที่บุคคล นี่แหละหน่าเสียดายที่ท่านได้จากไปเร็วเกินไปทำหน้าที่ไม่กี่ปีจะว่ายังไงละ่ะเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ไม่ใครก็ไม่สามารถที่จะดูล่วงหน้าไปได้อย่างหลวงพ่อเหมือนกันกำลังโพดอยู่นนเนี่ยก็ไม่รู้จะเวลาไหนวันไหนเหมือนกัน ยืมวันอยู่นะพูดง่ายๆพวกเราเนะี่ยยืมวันอยู่นะคณะสัย า, ญญาติโยมุกลานนะพราด้ในพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีนะวันนี้เป็นวันที่24อังคารที่24มกราคมพุทธศักราช2560แต่วันนี้หลวงพ่อเองก็อยากจะพูดเกี่ยวกับเสาเข็ม เยดีอีกเหมือนกันนะเมื่อวานก็พูดวันก่อนนักก็พูดแต่เพราะว่าเราจะได้บอกกล่าวศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนที่จะยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยเพราะว่าเสาเข็มหลวงตาเนี่ยจะมีการลงเสาเข็มวันที่สามสิบวันที่ท่านองค์หลวงตาจุตินิรภนันดวงตามรณภาพ แล้วก็เขาจะมีการประชุมวันที่ยี่บหวันที่ย4สี่นะลูกหลานยี่สกนี่เขาจะมีการเซ็นสัญญาเรื่องตอกเรื่องเสาเข็มเซ็นสัญญาเสาเข็มนะแล้วก็มีการเปิดบัญชีเสาเข็มนี่หลวงพ่อจะอ่านให้ฟังบัญชีเสาเข็มเพื่อก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดี ชื่อบัญชีเสาเข็มพิพิธภัณฑ์ธรรมจีดีโดยหลวงพ่อสุดใจทันตะมะโนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนทหารเลขที่บัญชี721 2 3 7, 7 6หนึ่งสองเสองขีดประเภทออมทรัพย์จำนวนเสาเข็มที่จะตอก เริ่มตั้งแต่วันที่ 30, 30มบสาสบมกราที่วันก็บรอบองค์หลวงตาหนะปีแล้วนะหลวงตามรนะภาพเรอว่าจุดตีนิพพานไป6ปีแล้วลูกหลานจากพวกเราไปจะพึ่งมาลงมือนะเสาเข็ม 1,251 พบต้นต้นละ 25,680 ้นดบาท รวมราคาใช้จ่ายอื่นๆแล้วแต่รวมทั้งทั้งแวดทั้งแวดทั้งตอบทั้งอะไทุกอย่างราคาเสาเข็มทั้งหมด3 2ล้านหนึ่0อ่าบาทอันนี้ท่า อันนี้จะเซ็นสัญญาวันที่ยี่สิบหกนะวันที่ยี่หกคือวันวันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะเขาจะไปชุมกันจะเซ็นสัญญาวันที่ยี่สิบหกแต่หลวงพ่อก็ได้เช็คปัจจัยว่าอยู่ในบัญชีเสาเข็มเนี่ยที่ประกาศมาที่พูดมาเนี่ยแต่ยังไม่ได้เปิดตู้นะเปิดตู้บรรตาศยังไม่ได้เปิดที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้เปิดแต่คือก็ว่าจะเปิดวันวันนี้แล้ววันพุ่งนี้แหละอเดี๋ยวนี้ ปัจจัยทั้งหมดรวมทั้งของหลวงพ่อด้วยนะเมื่อวานนี้ขอแจ้งข่าวให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะจะตุปัจจัยในวัดของเราหลวงพ่อออกให้ไปโอน เ, อเข้าบัญชีเสาเข็มนี่แหละเมื่อวานนี้รวบรวมในกลุ่มของพวกเราในวัดของพวกเราในกลุ่มของพวกเราทั้งผ้าป่าอะไร ปีผู้ถวายหลวงพ่อถวายไปงวดนี้นะสองล้านบาทเมื่อวานพวกเราโมธนาสาธุพร้อมกันเนอะโอนไปสองล้านแต่เดี๋ยวนี้เงินอยู่ในบัญชีเสาเข็มเนี่ยณนะวันนี้นะวันที่ยี่สิบสี่วันนี้แนหะละหลวงพ่อเช็คมาเลยให้เขาถามไทยดู ห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแดร้อยยี่สบสองบาทสี่สิบสตังอันนี้คือคือเงินขณะนี้แต่ยังไม่ได้เปิดตู้นะแต่เปิดตู้ไม่รู้เท่าไม่รู้ว่าตู้จะรวยหรือตู้จะจนก็ไม่รู้ละแต่ยังไม่ได้เปิดเขาหย่อนมาอาทิตย์กว่านะแต่จะเซ็นสัญญาวันที่หกเนี่ย เสาเข็มจะเซ็นสัญญาวันที่หกเนี่ยกับบริษัททักษิณที่จะตอกเสาเข็ม1251เอต้นเป็นเงิน32ล้านกว่าจะเซ็นสัญญาหล้านสแสนเพราะเงินของเรานยังขาดอยู่ แต่ถ้าว่นนับในตู้นั่นอี ก, ก็คงจะนั่นทางมันมันขาดยังไงก็หลวงพ่อสุดใจก็คงจะเอาเงินก้อนใหญ่ลงมาหรือว่าให้เซ็นสัญญากันไว้ก่อนถ้ามันได้มาแล้วก็คงจะย่อยเข้าไปให้ครบเพราะที่แรกเขาจะคิดเปอร์เซ็นต์ซของเสาเข็มทางนี้ทางบริษัททางพวกเราเลยขอร้องไว้ขออีก 20% เขาเลยลดลงมา 20% ก็เป็นเงินหล้านสี่แสนบาทแต่เงินหกล้านี่แสบาทที่ที่เราเซ็นสัญญาไปนี่นะ่ะในเมื่อเราจ่ายงวดที่1นึงร้อบาทเขาก็จะหัก20บาทออกเราก็จ่าย80บาทงวดที่สองรบาทเราก็จ่ายอีก80บาทลักษณะอย่างนั้นละจนครบ มันไม่หายไปนะดอกมันเคอยู่ในวงเงิน32ล้านนี่แหละที่สัญญานี่ถ้ามันเงินเกินถ้ามันเกินแล้วก็พักเข้าไปบัญชีใหญ่สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ศาลาลายถ้ามันไม่พอทำอะไรไม่พอเราก็ต้องเอาเงินของหลวงพ่อสุดใจนะ ท, ที่มันไม่พอนะก้อนใหญ่เนะ่ยเอาลงมาใช้ก้อนลักษณะอย่างนั้นคณะสัทายาญาติโยม แต่หลวงพ่อเองก็อยากจะโปรโมทในเรื่องนี้แหละบอกกล่าวลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมคือเสาเข็มเนี่ยพวกเราควรจัดรวมกันเพราะจะใช้ตอกเสาเข็มเพียงสามเดือนนะสัญญากันเพียงสามเดือนให้จบจากนั้นก่อไปก็แปลว่าเราก็บริจาคไปเลยแล้วท่นีู้บริจาคเป็น มูลนิธิเอเป็นเอเจดีเป็นพินพิธภัณฑ์ไปไม่ใช่เสาเข็มเสาเข็มนี่จะเพียงสามเรื อ, อนเพราะให้พวกเราผู้ใดอยากจะทําเสาเข็มลงไปยืนอยู่พื้นแผ่นดินปนมมือให้หลวงตาจูบนศีรษะของพวกเรานะนี่แหละสามเรือนนะ่ลูกหลานนะรวมร่วมกันไม่ว่ากันคนละมากคนละน้อยอันนี้หลวงพ่อเองอยากจะ โหมดเป็นเบื้องต้นบอกกล่าวเป็นเบื้องต้นถ้าว่าบอกกล่าวเป็นเบื้องต้นอยังลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานเนี่ยไม่ตื่นตัวไม่ตื่นตัวแต่เมื่อเราสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์เราก็ต้องระวังต้องระวังเราจะทำอะไรเราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยพูดอะไรสมมติว่าเมื่อสร้าง เจดีขึ้นมาแล้วนะเราจะเอาปูนปั้นหรือเราจะเอาหินอ่อนหรือจะเอาหินอย่างดีหินแกลนิดและหินอะไรมาบารุงใส่พระเจดีขององค์หลวงตาเรานะเออถ้าหากว่าโปรโมทดูข่าวนี้แล้วก็ยังไม่ไปไม่มาครับเมื่อเราทำไปเราก็คงจะทำตามเงินแหละแท่เนี่ยเออแต่ถ้าว่าลูกหลาน ใส่ใจกระตืลอลือร้นประกาศออกไปแล้วก็เอาช่วยกันคนละไม้คนละมือเออเอาถ้าหาว่าผู้ดำเนินการของเขาก็คงจะอุ่นใจสบายใจว่าเออถึงยังไงพวกลูกหลานยังรักเคารพในองค์หลวงตาเทิดชูบูชาในองค์หลวงตาพอหลวงตาหาทองคำเข้าคลังหลวงตั้งหมื่นกว่าล้านาพวกเรา จะบูชาพระคุณหลวงตาเพียงพันล้านเท่านี้ก็ยังถอยหน้าถอยหลังขยับกขยึดขยับกันอยู่เนี่ยดูไรอยู่ เ, ยเพราะน้าทาว่าพวกเราราลึกถึงบุญคุณขององค์หลวงตานะหลวงพ่อว่าก็คงจะงานเจดีของหลวงตาก็คงจะไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะทีนี้ที่หลวงพ่อยังได้ประกาศว่าจะมีการเซ็นสัญญาแล้วันที่ยี่ส และกับริษัทขนเสาด้วยนะขอนเสาก็บผู้รับผู้ดูแลผู้ควบคุมงานผู้ดูแลงานของหลวงตาด้วยขอนเสาเนี่ยก่อนหลวงพ่อรู้ละตัวเลขนะแต่ก็ยังไม่พูดในจุดนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเพราะขนเสาเนี่ยพอเซ็นสัญญาเขาแล้วเขาเงินก็ไม่ได้เอาเงินทีเดียวเขาเออกเป็นเดือนเป็นเดือนไปแต่เจดีของหลวงตานี่ย การตอกเสาเข็มน่สมเดือนเมื่อเซ็นสัญญาแล้วกระจบแล้วก็หาผู้รับเหมารับเหมาก่อสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์อันนั้นสปีนะลูกหลานนสัทธาญาติโยมนะชุดนั้นเสมปีคือจดท่าแล้วก็คือ36เดือน36เเดือนคือ 12, 3, 36สก็3ปีพอดีที่จะเจดีของลงตา แต่ว่พวกเราอยากจะร่วมสร้างกันนี่แหละเอาจะตุก ป, ปจัจจัยเออเข้าไปเจ้าจะคอร์อไปแรงไปช่วยแรงงานวันหนึ่ง เ, เราก็เตรียมปัจจัยว่เดี๋ยวไปถวายเลยเอาโอนเข้าบัญชีท่านเลยสามละสามสามร้อยบาทสามร้อยบาทหนึง่งเกเงินเงินรางวันสามร้อยนะทุกวันนี่นะเงินแรงแรงงานนะเอแล้วก็สามรอยบาทเนี่ยเราจะทํา สองวันสามวันกันนะ่ะเนี่ยเราก็ถวายปัจจัยไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไปทำงานหรอกถ้าไปทำงานก็ทำได้แต่ช่วงแรกๆอย่างนี้ลหละไปทำเสาลัวไปย้ายต้นไม้บ้างไปปรับที่ดินบ้างแต่พอทำเข้าจริงๆเราก็คงจะเป็นบริษัทนะคณะชาไทยญาติโยมงานนี้เป็นงานที่พวกเราให้ เป็นการรับเหมาไปเลยให้มันจบจบไปเลยไม่ให้พระไม่ให้คน เ, เข้าไปยุ่งมีแต่พวกเราหาเงินเท่านั้นละหาจิตุปัจจัยสมทบเข้าไป เ, าเพื่อให้งานสำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีนี่แหละเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะนั้นหลวงพ่อจึงกล้าพูดแล้วก็พูดให้ฟังด้วยว่าปัจจัย มีเท่าไหร่เพราะไม่ให้ปัจจัยของหลวงพอ่อเป็นใจของพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าอ่พอเราสมทบเข้าไปคนละมากคนละน้อยเนี่ยเข้าไปคุกไกรมีมากกันปัจจัยของหลวงพอ่อก็เหมือนกันที่สองล้านนะเออของโยมเสียโตขอนแกนเนี่ยเขาถวายผ่านผ้าป่ามาเออเมื่อสองสามวันเขาถวายมาล้านหนึ่งล้านสามหมื่น แล้วก็หลวงพ่อก็รวมจตุปัจจัยของวัดของเราอีกเข้าไปเองที่เขาถวายมาเนี่ยก็เป็นสองล้านฮะนี่ยแหละมันไม่ใช่ปัจจัยของผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นปัจจัยของวัดเป็นปัจจัยของพระเจดีย์เพราะฉะนั้นยอดของพระเจดีย์มีเท่าไหร่หลวงพ่อก็เปิดเผยบอกให้กล่าวให้ได้เออพี่น้องเนอะจตุปัจจัยพระเจดีย์ของหลวงตาของเราอย่างเท่านี้ ผู้ที่จะสมทบเข้ามากับเอาเนอร์นี่แหละจะว่าจะเซ็นสัญญากันเซ็นสัญญากันประมาณหกล้านซี่จะเซ็นสัญญายี่สิบเปอร์นนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้บอกกล่าวให้พวกเราคณะทศาทยญาติโยมที่หลวงพ่อพูดที่นี่พอเสียงหลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมันออกทางเฟซนะมันเสียงดังไปไกลพอสมควร เพราะหลวงพ่อจะงได้พูดที่นี่ถึงพวกเรามีฟังอยู่ที่นี่ไม่กี่คนแต่ว่าเสียงของหลวงพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วก็ให้ได้ยินลูกหลานได้ยิน ท, ทั่วถึงกันเพราะหลวงตาไม่ใช่ของหลวงพ่อนะไม่ใชข่ของคนกลุ่มเดียวไม่ใช่ของคนกลุ่มของเรานะหลวงตาเนี่ยเป็นพระทั่วโลกเป็นพระลูกหลานพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่รักเคารพในองค์หลวงตาถ้าผู้ใดได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาชึา่งถึงใจในธรรมเทศนาของท่านาท่านแนะนําอย่างไรท่านให้ทานให้ทานรักษาศีลภาวนาให้เป็นผู้มีให้ผู้เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทหลวงตาจะสอนอย่างนั้นไหอย่ามาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสาร ให้ภาวนาเน้ให้ทั้งอกตั้งใจภาวนาหาทางพ้นทุกข์ที่มันมาเบียนไหายตายเกิดในวัฏสงสารเพราะกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะให้ชำระออกจา ก, ก จ, จิตใจให้จิตใจหมดจดจากกิเลสหลวงตามีแต่แนะนําสั่งสอนอย่างนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราเมื่อได้ยินทำคําสอนของหลวงตาแล้ว เ, เออหลวงตามี เป็นผู้มีคุณูปการพวกเรายังอยูออ่ยังอยู่เบื้องหลังหลวงตาจุตินิราผ่านไปแล้วนะพวกเราก่อนเนี่ยนระวบรวมจะตุกปัจจัยเป็นอามิชบูชานะบูชาในพระคุณขององค์หลวงตาจากนั้นพวกเราก็ตั้งความปรารถนาสาธุเนอร์ผู้ค่าได้ทำบุญกับองค์หลวงตา หลวงตาเรามั่นใจว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสท่านก็ประกาศตัวของท่านว่าเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกแล้วเป็นอนันตการอันนี้คือคำทำคาพูดหลวงตาพวกเราก็ได้ยินกันทุกคู่ทุกคน เ, เราก็มั่นใจว่าเนี่ยเราได้ทําบุญในคราวนี้ได้ทําบุญกับพระอรหันต์พระอรหันตสาวกทํำไรก็ตามพระพุทธเจ้าแต่ตรัสรู้ธรรม พัสสาวกทางหลายได้บรรลุธรรมตามธรรมคาสอนของพุทธะองหลวงตาก็ได้บรรลุธรรมตามธรรมคำสอนของพธธะองงระพุทธเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้ทําบุญถึงจะมากหรือน้อยก็ตามขอขอให้บรรลุธรรมตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระหานตั ส, สาวกตามองค์หลวงตาขอใหถึงพระนิพานโดยเร็วโดวยเร็วพลัน อย่าได้ขอจะได้มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารถึงข้าพเจ้าจะเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารยังไม่ถึงพระนิพพานก็ขอคําว่าทุกข์ยากลําบากเข็นใจขอให้พบแต่บัณฑิตนักปราชญ์ให้ไปในทางที่ดีให้ไปในทางที่ดีสัมมาทิฏฐิให้ไปในทางที่ถูกต้องให้เดินทางจนถึงมรรคผลนิพพานจะได้มีอุปสรรคนานับประการสําหรับชีวิตของข้าพเจ้า ในการเดินทางเดินมักเดินผลจนถึงพระนิพพานจะได้มีอุปสรรคเน้อให้ตั้งจิตตั้งใจตัอธิษฐานอย่างนั้นนะเวลาเราทําบุญกับอพ่อแม่ครูบาอาจารวย์หรือว่าท่านผู้บริสุทธิ์อย่างองหลวงตาของพวกเราฉะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเรื่องพระเจดีย์องหลวงตาอีกเพราะมันเข้มงวดเข้ามาแล้วนะ หลวงพ่อก็ยังในบอกกล่าวให้กับพวกเราคณะศิษยาณุศิษย์ถ้าผู้มีศรัทธาก็โอนเข้าบัญชีหลวงพ่อสุดใจนะไม่ใช่โอนเข้าบัญชีหลวงพ่อนะแต่สำหรับหลวงปู่สำหรับผู้เท่าผู้แกผู้มีเล็กๆนน้อยที่มามาหาหลวงพ่อนะมาหาหลวงพ่ออยากจะทำบุญยังไม่รู้จักบัญชีของหลวงพ่อสุดใจ หลวงพ่อก็รับได้ห ล, ล, ลวงพ่อก็รวบรวมไว้จากนั้นหลวงพ่อก็โอนเข้าไปอย่างที่เมื่อวานเนี่ยนะโอนเข้าบัญชีหลวงพ่อจุดใจอย่างเก่านั่นแหละคือบัญชีนะั่นคือบัญชีใหญ่ถ้าพวกเรารู้บัญชีนั้นแล้วหนะ่อยอยางที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเนี่ยครัพวกเราก็สืบสอบดูแล้วก็มั่นใจแล้วก็โอนเข้าไปเลยเพื่อเข้าบัญชีจากนั้นกันจะได้ใช้ได้จ่ายให้เกิดประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเรา ลูกหลานทุกคนนะเป็นอมิตชบูชาปูชาในองค์หลวงตาของพวกเราเป็นบุญเป็นกุศลติดภพติดชาตินะถ้าใครทําไม่ดีปรามาดหลวงตาหรืวอวอ่าไม่อยากจะทนะําแล้วยังปรามาดอีกนะอันนั้นก็บาปกรรมติดภพติดชาติอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพระเทระนะ เ, ออเขาอยากจะสร้างเจดีย์ใหญ่ตัวเองออกไปคัดค้านให้สร้างเจดีย์เล็ก มันรักษาง่ายดูแลง่ายเสร็จเร็วกาบได้กาบได้ไหวเร็วทำไมจะไปหาสร้างใหญ่โตหัวฐานทำอะไรหรูหราพราะพระเจ้าท่านเป็นผู้ น, นั้นอยู่แล้วนะผลที่สุดเกิดมาพบหน้าชาิหน้าเลยโตเตีย้ยเขาเป็นตัวใหญ่หมดตัวเองเตี้ยตลอดเลยนี่แหละ อันนี้ก็เหมือนกันน่ะเขาจะจะทําให้ดีตัวเองทําให้คีร้ายคีเรเกิดมาพบหน้าชาติหน้าตาไปทางหนึ่งหูไปทางหนึ่งปากก็ไปทางหนึ่งเราต้องการไหมอย่างนั้นน่ะเออเราต้องการความสวยงามไม่ใช่เหรอเออเกิดมาพบใดชาติใดก็ขอให้มั่งมีสีสุขลารวยสวยงามเออเพราะนั้นเราต้องพยายามทําให้มันดีเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาว่าพราะหลวงตาเป็น ผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วน ะ, ะต่อนนี้ไปหลวงพ่อคณะสงฆ์อนุโมทนาให้พรและพรเนตรนิเนอร์